ทุนฟังที่เคารพคะ่ะมาถึงวันนี้รายการสรันนิสนทนาเป็นวันศุกร์เนี่ยนะคะเราก็มีเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันเช่นเคยซึ่งพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดรอนธานีนะคะท่านก็อยากที่จะเปิดธรรมที่คิดว่าท่านทุกฟังทุกๆ ท, ท, ท่านเนี่ยน่าที่จะได้ เรียนรู้กันเอาไว้ไปใช้นั่นก็คือเรื่องของพุทธวจนะนมัส ก, การกัะทั้งคะ่ะอาจารย์เล่นพานค่ะเห็นวันนี้ท่านอยากที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปาฏิหาริ์ที่แม้ว่าเราอาจจะเคยสนทนากันไปบ้านในบางครั้งแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ฟังเพราะถึงแม้โลกจเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์อย่างไรปาฏิหาริ์ก็ยังเป็นที่กล่าวถึงกันแล้วก็ปรากฏกันอยู่บ้างนะคะเสมอเสมอค่ะ เ, เรื่องปฏิหารเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติปฏิหารมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะคืออันแรกคืออิทธิปาฏิหารอิทธิปฏิหารเนี่ยคือการาหายตัวได้ <Okay. S 1> การที่ทะลุไปในผนังการที่แยกร่างการอะไรต่างๆอันนี้คืออิทธิปาฏิหาร <Okay. S 1> อย่างปฏิหารอย่างที่สองเนี่ยเรียกว่าอาเทสนาปาฏิหาร <Okay. S 1> คือการที่สามารถทายใจได้นะรู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นอย่างนี้นี่คืออัเทสนาปาฏิหาร <Okay. S 1> อันที่3คืออนุสาสนี อนุสาสนีปาฏิหาริอนุสาสนีปาฏิหาริ์นี่คือการเทศสอนทําให้เขาเห็นทุกทําให้เขาเห็นเกินความศรัทธาแล้วมาออกบทจนกระทั่งบรรลุได้สมาธิได้ฌานจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์นี่คืออเทศนาปาฏิหาริ์คือคีย์บทก็คืออิทธิใช่ไหมแล้วก็ อ, อนุสาสณีแล้วก็เทศนาทีนี้พระพุทธเจ้า บ, บอกว่ารู้สึกขยักขยั่งเกลียดชัง ต, ออต่อปาฏิหาริ์ส อ, อย่างแรก คือขยะขยัง่งเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และขยะขยั่งเกลียดชังต่ออาเทศนาปาฏิหาริย์จึงจึงไม่ให้แสดงทีนี้พระพุทธเจ้าเลยปรับอาบัตเป็นความผิดที่พระเนี่ยจะต้องเปิดเผยออกมาถ้าตัวเองไปทําอิทธิปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์อย่างแรกถ้าทำถ้าแสดงนะเป็นอาบัตทุกกฎคืออาบัตอย่างเบาแต่ปาฏิหาริย์ส อ, อย่างหลังเนี่ยไม่ได้ปรับอาบัตเอาไว้เห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยสามารถไทใจคนไหนได้แล้วพูดออกมาแสดงให้เห็นเนี่ยคุณจะไปปรับอาบัติเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนนะแก่คนที่เป็นคารวาตอวดอุตริมนุสธรรมของตนที่มีในตนมีจริงนะแก่คารวาตอันนี้จะเป็นอาบัติที่หนักขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอา บ, าบาัติปาจิตติ อาบัติปัญชีติคืออาบัติที่ทําให้กุศลธรรมลุล่วงไปคือหนักกว่าอาบัติเบาเพราะฉะนั้นถ้าใครอวดอุตริมุสตธรรมอุตริมุสตธรรมคืออะไรคือความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถที่ไม่มีในปุตุชนค่ะถ้าบอกว่าฉันมีนะและมีจริงนะบอกกับคารวาสอันนี้เป็นอาบัติหนักขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีจริงเป็นปราชิกเลยขาดใจความเป็นประ ทีนี้คําว่าประเด็นของเรื่องนี้คือคําว่าอวดกับคําว่าแสดงสมมติมีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ต่อหน้าโยมเป็นราร้อยพันๆอย่างเงี้ยถ้าอยู่ๆท่านหายตัวไปเลยนะหายวับไปเลยเอา้าท่านแสดงอิทธิปฏิหาริย์แล้วถ้าท่านทําอย่างนั้นท่านเป็นอาบัติทุกกฎ เ, เป็นอาบัติอย่างเบาแต่ถ้าท่าน อ, าอยู่ๆนั่งอยู่ดีๆนะ แล้วก็ไม่ได้แสดงปฏิหารอะไรใ ห, ให้เห็นนะแต่พูดว่าอาตมาหายตัวได้นะพูดแต่นะคนเป็นร้อยเลยนะค่ะแต่ไม่ได้ทําให้ดูน ะ, ะถ้าท่านมีจริงถ้าจะเป็นอาบัติปาจิตติเพราะท่านอวดนี่ไม่ได้แสดงให้ดูอวดเนี่ยคืออะไรอวดก็คือน้อมเข้าในตัวว่าข้าพระเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้นี่คือการอวดแต่การแสดงนี่คือทําให้ดูเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหตุเป็นผลกันว่าอ๋อพระรูปเจ้าปรับอาบัติเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าคุณอวดคุณไม่ได้ทําให้ดูนะหนักกว่าแต่ถ้าคุณทําให้ดูคุณไม่ได้พูดอะไรแต่ทําให้ดูเลยอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหารเป็นอาบัติแต่ถ้าน้อยกว่านั้นไม่เป็นอ hmm. เพราะฉะนั้นถ้าพระองค์แน์หนึ่งเนี่ยจะทายใจคนอื่นได้เนี่ยแล้วพูดเลยนะไม่ได้บอกว่าอาตมาทายใจโยมได้นะรู้ว่าโยมคิดอย่างนี้นะแต่พูดเลยเอายมคิดเรื่องบ้านนี่อย่างนี้นะ <Okay. S 1> ไม่เป็นอาบัติไปโจทย์ท่านไม่ได้คอืม <Okay. S 1> นักษณะนี้ มัอันจะเป็นําับขันี้ก็คือประเด็นที่จะพูดถึงว่าปาติหารกับอวดและแสดงแล้วเป็นอาบัตหรือไม่ใช่นะคะซึ่งมีรายละเอียดแต่พอจะทําให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าเอาถ้าหลักๆก่อนนะคะอคือถ้าอวดในสิ่งที่ไม่มีเีก็ถือว่าหนักที่สุดหนักที่สุดนะคะจะต้องเป็นปาราชิกจะพักไม่ได้ใช่แต่ถ้า อวดในสิ่งที่ตัวมีอันนี้ก็ผิดน้อยลงเพราะอวดไม่ได้แสดงหูละเอียดมากประณีตมากนะคะคำว่าอวดนี่คือการไม่ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ออกมาก็จึงอาจจะทําให้คนเขาครือแคลงว่าที่พูดมานั้นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็จะมีอาบัตใช่แต่ถ้าหากว่าแสดงออกมาไม่มีอาบัตนะคะทีนี้ตรงประเด็นเรื่องแสดงเนี่ยที่ว่าที่ว่าเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระรุจ่าบอกว่านี่ไงอย่างเดวิดคอปเปอร์ฟิลเนี่ย อยู่ๆทำเครื่องบินทั้งเครื่องหายไปอ่ะโอ้วันนี้มันมายา ก, กลนะมันไม่ได้ฤทธิ์อะไรน ะ, ค, ะคนที่ไม่มีศรัทธาจึงจะบอกว่าโอ้พิชาชี่อมนิกะก็มีอยู่เข า, าทําหายตัวกันได้เข า, าตายใจกันได้ภิกษุพวกนี้ไม่ได้มีคุณลักษณะอะไรมากหรอกลเลยรู้สึกขยะแขยงกลียดช่า ง, งนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2คืออย่างคุณธรรมง่ายๆอย่างโสดาบันจะแสดงยังไงไม่ใช่ว่าเราปาดเลือดออกมาเลือดเป็นสีม่วงคุณเป็นโสดาบันไม่ใช่มันแสดงให้ดูไม่ได้ คุณจะแสดงให้ดูไงว่าคุณเป็นสกทาการมีมันแสดงไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะว่ามันไม่ได้ดูเข้าไปในจิตได้คนที่เขาจะรู้ได้เขาจะต้องมีเครื่องรู้ซึ่งเขารู้เขาก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ต้องเราแสดงไม่ได้ <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอวดอุตริมุสธรรมที่เป็นคุณสมบัติอย่างเช่นโสดาสกีธาอนาคาอารานเนี่ยมันแสดง <Okay. S 1> ไม่ได้มันเป็นเฉพาะตน <Okay. S 1> เพรา ะ, ะนั้นอะไรอัตมาไยตีความว่าคำว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยหมายถึงผลสี่ขั้น เท่านั้นอ๋อว่าจะเป็นโซดาเป็นใช่เพราะมันอวดไม่ได้เออมันแสดงไม่ได้ไมันได้แต่อวดค่ะถ้าไม่มีจริงนี่พลาดเลยเป็นวราชิกถ้ามีจริงนะให้อนุประสมบันซ่าเป็นเป็นอาบัติกลางอ่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆหน่อยก็หมายความว่าถ้าอาจารย์กําลังจะหมายถึงการที่มีใครเอ่ยอ้างถึงว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอริยะบุคคลนนนนในขั้นต่างๆเนี่ย จะเข้ามาสู่ในส่วนของอวดอุตริมนุษยธรรมนะคะซึ่ ง, มงไม่มี ใ, ใครเขารู้ ไ, ได้นอกเสจากว่าเขามีวาระจิตที่แก่กล้าพอที่จะเข้าไปก็คือคนที่สามารถมีเครื่องเครื่องตรวจสอบได้น ะ, ะทีนี้ว่ามันก็อันนี้เราก็ยกไว้ก่อน แต่ถ้าเราจะมาวัดดูกันแสดงให้ดูเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าอยู่ๆหายตัวได้ไม่เหมือนอยู่ๆกับทายจิตได้ค่ะอันนี้รู้บอกว่าประเด็นก็คืออวดแก่คารวาสด้วยใช่ไหมคะใช่ใทีนี้ถ้าอวดกับภิกษุด้วยกันเหรอคะเขาไม่เป็นไรอยู่แล้วบอกกับพระด้วยกันไม่เป็นไรอ๋อในเรื่องปาฏิหารินี้เราให้มุ่งมาที่คารวาสอวดแก่คารวาสอย่างเดียวแสดงแก่คารวาสอย่างเดียวสําหรับพระนี่คือถ้าถ้าถ้ามีจริงไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่มีสิ่งก็เป็นปาราสชิกเหมือนกันค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เราเราอยู่ร่วมในสังคมกันทั้งครวาดทั้งพระภิกษุษสงฆ์เราก็จะได้รู้วิธีที่จะเข้าอกเข้าใจแล้วรู้จักกันให้ถูกต้องอ่าวางความคิด วางการกระทำให้เหมาะสมถูกต้องอย่างนั้นไหมคะ่เนี่ยคือการที่ต้องให้ความรู้กันในเรื่องนี้ถ้าอาจารย์ค่ะคุณจริงเรามีคำถามเยอะๆดิฉันคงจะต้องเลือกสักคำถามหนึ่งที่จะส่งท้ายในสัปดาห์นี้ก่อนอแหมจะส่งท้ายสัปดาห์จะถามเรื่องนรก <laughs> ได้ไหมคะได้นรกนรกคืออะไรนรก ในพระพุทธศาสนามีหรือไม่ ม, มีแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรแต่คงจริงก็ได้ยินบ่อยๆนะคะนรกใช่อุบายทุกคติวินิบัตินรกวินิบัตินรกออกไปว่าต้องมีมีมอ่สรุปแล้วเอาเป็นมีก่อนหน้าตาเป็นอย่างไรนรก ค, คืออะไรนรกคือการที่เราได้ภาษาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ชอบใจนั่นคือนรกเอา definition ความหมายของคำว่า น, นรกก่อนนะความหมายของคานรกก็คือ ภาษาได้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทั้ง6อย่างที่เกิดกับเราแล้วเราไม่พอใจนั่นแหละคือนรกจริงแล้ ว, วะคะ่ะท oh. ําเหมือนคนก็นั่งอยู่กับ น, นรกทุกวันเลยใช่ไถูกต้องเพราะรู้สึกว่าไอ้นั่นฉันก็ไม่ชอบชตัวฉันเองไอ้นี่ฉันก็ไม่ชอบถูกต้องถ้าอาจันทําไมเพิ่งบอกดิฉันล่ะคะก็นี่คือ d e ฟ i n i t i o ของควานรกเพราะว่าอ๋อเพิ่งรู้จริงๆว่าคีย์เวิร์ตนี่อยู่กับเราเลยใช่อยู่ที่เราสมมุติว่า นรกที่เป็นจิตเนี่ยคือในยะนี้ค่ะท <aced. S 1> ีนี้ถ้านรกแบบที่พระุทธเจ้าเคยตรัสพูดถึงมหานรกเนี่ยที่บอกมี4ประตูนะล้อมรอบด้วยเหล็กข้างบนก็เหล็กข้างล่างก็เหล็กข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเหล็กหมดแล้วมีไฟพุ่งโผดจากข้างหลังมาข้างหน้าข้างซ้ายไปข้างขวาข้างบนลงข้างล่างเหล็กหมดเลยค่ะแล้วมีอยู่สมัยหนึ่งที่สัตว์นรกเนี่ยจะถูกโยนลงไปในมหานรกนี้แล้วก็มีสมัยหนึ่งที่ประตูด้านหน้าจะเปิดออกสัตว์นรกก็จะรีบวิ่งไป ระหที่วิ่งไปเนี่ยก็จะถูกไฟไหม้ผมไม่เล็บไหม้ขนไม่หนังไหม้กระดูจนถึงเยื่อในกระดูพรอไหม้จนเป็นควันจนกระทั่งไม่มีควันแล้วก็ร่างก็กลับคืนมาเหมือนเดิมอย่างนี้ก็มีม น, นรกที่พระเจ้าอธิบายนี้โดย พ, ะพระพุทธเจ้าอธิบายเลยเหรอถูกต้องถูกต้องปเปรียบเทียบกับว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่ทําความไม่ดีคนพาลเนี่ยมีเครื่องอ้างอิงของคนพาล น, นี่คือกายวาจาใจที่ไม่ดีใช่ไหมคนที่ทําให้ดีเนี่ย สุดท้ายนี่จะไปตกนรกก็อธิบายว่านรกเนี่มันเป็นอย่างนี้อย่าง น, างนี้เพราะว่ามีพระถามว่าเอ๊ะนรกเนี่ยมันมันเป็นยังไงพระเจ้าแหลทอธิบายให้ฟังที <Okay. S 1> นี้คนที่ไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นเนี่ยจะเจอแต่ภาษาที่ไม่พอใจ <Okay. S 1> มันเป็นสมมติคนโดนไฟเผาอยู่เนี่ยจะให้พอใจเนี่ยมันยากมาก <Okay. S 1> มจะทจําจิตอย่างไรมันไม่มีทาง <Okay. S 1> แต่ถ้าเราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยสมมุติกลับบ้านไป พ่อก็ดา่าเมียก็ดา่าลูกก็ยังเป็นอย่างนั้นคนใช้ก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็แตกอันนั้นก็พังมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นนี่นรกแล้วเห็นก็ไม่ชอบได้ยินก็ราคาญใช่ยิ่นรกเลยเหรอครถูกต้องยังน้อยเนี่ยแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยนะยังพอมีทางหลีกไปทางอื่นได้ใช่ไหมถ้านับวินาทีนั้นเราเข้าสู่สุขวิหารธรรมคืออาณาปานาสติปุ๊บจิตตรงนั้นการรับรู้เรื่องอื่นดับหมดจิตเราอยู่ในสมาธิหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติเนี่ย ความทุกข์นั้นดับไปะล้วเราก็ยังมีทางออกหนึ่งใช่ไหมก็ยังมีอิสระบ้างแต่ในขณะที่เราถ้าเข้าไปสู่มหานรกที่เป็นเหล็กร้อมรอบนี่น ะ, ะมันออกไม่ได้แล้วทำยังไงถึงจะพลาดพลั้งขนาดไปมหานรกหรืครับท่านโอ้คนที่พลาดพลั้งไปมหานรกได้พระเจ้าพูดถึงเหตุคือทำสามอย่างก็คือการพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีคนพาเนี่ยมีเครื่องอ้างอิงสอย่างนะคือการ การกระทําที่ทําแล้วก็ไม่ดีพูดแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ดีคคิดก็คิดไม่ดีเราดูคนได้ง่ายๆเครื่องอ้างอิงของคนผ่านเหมือนกับสติกมาติดไว้ตรงหน้นาผากเอาอันนี้คนไม่ดีอันนี้คนดีเราจะบอกก็ได้เลยอืถ้าเขาคิดดีทดําดีพูดดี น, นั่นเป็นคนดีเป็นบัณฑิตอืมแต่ฉันจําได้ว่ามีพรปีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องพูดคิดทําให้ดีเนี่ยใช่ แลว่าท่านจะปิดทางไม่ให้พวกเราไปนรก อ, อเป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมนะคะโอโ้เรื่อง น, นรกนี่มีมีหลายอย่างนเนยแปรายายมากมายเราได้อเ n กปรายายแต่สรุปได้ไหมคะว่านารกจริงๆที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเนี่ย <c oughs> มี 2, <c oughs> 2แบบแบบหนึ่งก็คือนรกที่เป็นจิต <c oughs> <ช>อีกแบบหนึ่งก็คือนรกที่เป็นสถานที่อธิบายว่าเป็นอย่างนั้นมีใบไม้ที่เป็นดาบ ลมพัดบิ้วตัดหัวตัดคออะไรก็มีอย่างนั้นก็มีมีแบบที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะคะใช่ใเราก็ได้ยินมาแย่แล้ว น, นะคะที่เขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำเมามจะตกกระทะทองแดงถ้าประพฤติผิดในการปีนต้นงิ้วนี่ท่านตรัดไปหรือเปล่าคะไม่ได้ตัดเหตุผลอย่างนั้นแต่ตัดว่าต้ตนต้นไม้ที่มีหนามแล้วถูกนายนเรียบานบางังคับให้ปีนขึ้นปีนลง ม, มีมีเปลวไฟอยู่มี แต่เรื่องการเชื่อมว่าอ๋อคุณทำอย่างนี้แล้วคุณจะได้ผลอย่างนั้นเนี่ยพระดิฉาพูดโดยรวมแต่ไม่ได้พูดแยกเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจับประเด็นเชื่อมกันเนี่ยจะพยากรยากเพราะว่าเรื่องกรรมมันพยากรยากค่ะแต่พูดจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าจะเกิดประโยชน์น้อยสําหรับคนที่มีความรู้สึกว่าก็มันไม่เห็นน่ะไม่เคยเห็นมีใครไปแล้วกลับมาบอกแล้วว่านี่ไปนรกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เราสนใจใเรื่องนรกในจิตก็ดีมั้งกันนะคะ นรกในจิตก็คือว่าเจอภาษาสิ่งที่ไม่ชอบใจผัวก็เป็นอย่างนั้นเมียก็โอ้ยเนี่ยแหละนรกแล้ววิธีแก้นะคือออกจากระบบกรรมก็คือปฏิบัติตามมรรคมีองปให้มีสติอยู่ในกายในจิตให้เรารับรู้อยู่ในความสุขที่เป็นสุขวิหารธรรมคนอื่นเป็นยังไงไม่เป็นไรเราไม่ฆ่าสัตวเราไม่เบียดเบียนใครเรามีจิตที่เป็นเมตตาอยู่ตลอดนั่นแหละ ไม่ว่าฝ่ายไหนจะถูกหรือฝ่ายไหนจะผิดชาติหน้ามีไม่มีนรกมีจริงไม่มีจริงฉันก็มีความสุขเนี่ยไปขึ้นสวรรค์ละขึ้นสวรรค์บางคนดิฉันตอนจะถามคาถามนี้ก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าโอ้โหก็เดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันอีกตั้งสองวันทำไมจะทิ้งท้ายไว้ที่นรกสุดท้ายได้ไปสวรรค์แล้วนะคะแน่นอน <laughs> ถ้าอาจาย์ไพบุญบอกว่า การที่เราได้ผัดสะที่ไม่ชอบใจเท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยมันตกนรกแล้วแต่เราแก้ได้แ ก, ไดแก้ได้ด้วยการปฏิบัติมักมีองค์8ซึ่งรายการนี้พูดบ่อยเพราะพระพุทธองค์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่ได้ส่งคนพบและก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้พบทางหลุดพ้นเพื่อขึ้นสวรรค์ นะคะขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์8 2>, 2วันนี้ก็หาทางไปสวรรค์กันก็แล้วกันนะคะระหว่างที่เราไม่เจอกันวันนี้ก็นมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโนไว้นะโอกาสนี้นะคะนนอนอุค่ะค่ะพระอาจารย์ไพบุญอยู่วัดปาดอนหายโศอุดรธานีท่านฟังค่ะ ติดตามรับฟังรายการของเราที่นี่นะคะสถานีวิทยุเ m ครอบครัวข่าว10อยแล้วก็วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกร้อยห้าสถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะแล้วก็ในวันนี้เราก็มีคุณนิธิวดีตันทิกุลนะคะเป็นผู้ที่บันทึกเสียงและก็เป็นคนหนึ่งที่จะคอยรับโทรศัพท์ศ2นย์สอ6สองหกเาหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะปฏิบัติ ทำในแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ส่งไว้มากเป็นวิหรารธรรมที่สรงไว้มากคืออานาปานสติมีหนังสือแจกวันละหนึ่งเล่มติดต่อกันเข้ามากันละกันค่ะสัปดาห์นี้ท่านก็ลองรวบรวมเอาไปนะคะธรรมะทั้งหลายใช้วันหยุดในการใกล้ครวรกันและขอให้ท่านเจริญในธรรมกันมากยิ่งขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปเลยนะคะพุทธวัตรสวัสดีจากดิฉันสรนสนีนาคพงศ์ค่ะ